สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ Innovation for Life คนะ่ะนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะคะกับดิฉันคุณกา น, นิ้ทองนาวค่ะทุกค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้นะคะซึ่งเราก็เจอกันดึกหน่อยรวมถึงรายการ Innovation for Life ก็เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาคิดค้นจากนักวิชาการนักวิจัยในประเทศไทยของเราหลากหลายสาขาที่เดียวค่ะ อินโนเวชันฟลายในวันนี้ค่ะมาทําความรู้จักกับดรน้ำพลพิพัฒน์ไพบูลณ์ค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําสา ข, ขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาสนภาคเขตสกลนครวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอินโนเวชันที่มีชื่อว่าการพัฒนาหัวน้ําหอมจากว่านสาวหลงกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับอินโนเวชั่น หัวน้ำหอมจากว่านสาวหลวงอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงอเรียกว่าเป็นที่มาก่อนนะคะมาทําความรู้จักกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหัวน้ําหอมจากว่านสาวหลวงนี้มันมาเริ่มต้นได้ยังไงอาจารย์มีการเอ็กเกตไอเดียมาจากไหนอนะคะอยากให้เล่าให้รใเราฟังเบื้องต้นเลยครับเอ้ครับผมที่ ม, มาที่ไปของอ่าหัวน้ําหอมจากว่านสาวหลวงเนี่ย น, นะครับ จริงๆ<ป> อ, อาจารย์ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการทําน้ํามันหอมมะเหย่าตั้งแต่ปี2557นะครับเรื่อยมาโดยได้รับทุนการสนับสนุนจากสํานัก ง, งานวิจัยการเกษตรที่เราเรียกว่าสวกครับอให้ให้สนับสนุนในการสร้า ง, างเครื่องกั่นก่อนอาจารย์ก็เริ่มสร้างเครื่องกั่นที่ขนาดเป็นอุตสาหกรรมก็คือขนาด500ลิตรนะครับก็พัฒ น, นาเครื่องกัน่นพอได้เครื่องกั่นเสร็จทางสวกก็สนับสนุนทุนต่อให้ทําเป็น โรงงานต้นแบบในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดสามางานก็ทําเป็นโรงงานต้นแบบจนได้เป็นโรงงานที่สามารถกั่นน้ำมันหอมระเหยจากวัตถุดิบพืชสมุนไพรทั่วไปในท้องถิ่นเนี่ยได้อย่างดีสามารถรองรับสมุนไพรได้ในปริมาณปริมาณเยอะเพราะว่าเราเป็นเครื่องกัน่นและทังอุตสาหกรรมก็คือเครื่องเครื่องใหญ่ไม่ไม่ใช่เป็นสกลแ lap นะครับอ่าอก็คือโจทย์โจทย์ก็คือค่ะ ผลิตน้ำมันหอมรวเหยให้พอใช้ปกติเราทำกันได้แหละเนี่ยเราจะได้แค่ไม่พี่มลครับห้ l ม0สิบมลซึ่งเวลาจะไปต่อยอดสู่สู่เชิงพานเนี่ยมันมันไม่เพียงพอต่อความต้องการอาจารย์ก็ทำมาเสร็จปุ๊บก็มีผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าอยากได้หัวน้ำหอมที่ที่เป็นกลิ่นของคนไทยที่ที่ไม่ใช่เป็นกลิ่นกุหลาบกลิ่นโรสแมรี่ที่มาจากต่างประเทศอาจารย์พอจะแนะนาได้ไมนะครับ อาจารย์ก็เลยต้องต้องไปสืบเสาะหาสมุนไพรที่มีอยู่ในในท้องถ mm hmm. ิ่นก็คือในจังหวัดส ก, นกลนครแล้วมันมีสมุนไพรตัวไหนที่มันพอจะจะเป็นหัวน้ําหอมที่จะไปผสมกับน้ําหอมที่มาจากต่างประเทศได้แล้วให้เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของของคนไทยก็คือเป็นกลิ่นสมุนไพรไทยก็ไปเจอว่านตัวหนงเรีย mm hmm. ว่าวา่านสาวหลงอ่วาวา่านว่านสาวหลงก็เลยนํามาทดลองกัน น้ำมันหอมแล้วเลยก็ผลที่ออกมาก็ออกมาก็คือเป็นเป็นว่านที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นกลิ่นแบบแบบโบราณนะครับแบบแบบโบราณก็เลยส่งตัวอย่างน้ํามันเนี้ยไปให้บริษัทอ่าที่ที่เขาต้องการเขาก็อานําไปแล้วเขาบอกว่าอาจารย์มันสามารถเป็นหัวน้ําหอมได้เลยนะตัวนี้สามารถไปผสมเป็นกลิ่นน้ําหอมต่างๆได้แล้วก็ผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อาจารย์สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก ได้แล้วก็จะมีการรับซื้อกันต่อไปแน่นะขวดที่ตอนนี้อาจก็ก็รับซื้อนะชาวบ้านนะครับรับซื้อจากชาวบ้านตลอดครับก็เป็นที่มาที่ไปสั้นๆน ะ, ะที่วันนี้สตรอรี่เยอะมากเลยกับบ้านข่าหลวงครับค่ะ ต้องต้องบอกว่าแค่ชื่อนี่ก็โอ้โหนี่นีเหมาะที่จะมาเป<ช>็นหัวหน้าผอจริงเพราะว่าว่านคำาว่าว่านสาวหลงนี่แค่ชื่อมันก็ชวนเชิญเชื้อเชิญแล้วนะคะอาจารย์<ช>ที่นี้อขออนุญาตถามนิดนึงว่าแล้วรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยเอเอเจ้าว่านสาวหลงที่ว่านี่มันมรูปร่างหน้าตาอย่างไรแล้วก็ปกติแล้วคนส่วนใหญ่ที่นั่นใช้ว่านสาวหลงทาทำแบบ ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหรือว่ามันเป็นพืชยังไงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ให้ใหอาจารย์เล่าให้เราได้ได้รู้จักในเบื้องต้นอืดอ่ะครับผมตัวตัวว่านสาวลงเนี่ยก็ให้เรานึ ก, นกถึงต้นต้นข่าต้นฉงก็จะมีอารมณ์ต้นคล้ายๆกันคือเป็นเป็นพืชวงเดียวกันนะครับแต่ว่านสาวลงนี่จะผูกกับความเชื่อของของคนไทยเข้าไปด้วยอ่าในในเรื่องของความเชื่อเรื่องของสายศาสตร์เล็กๆ เพรว่าผู้ผู้<ฆ>ผที่ปลว่านสาวหลงไว้ไว้ในเขตบ้านเขตเรือนหรือเขตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะได้รับเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่รักใคร่เอ็นดูอของของบุคคลทั่วไปอารมณ์เหมือนการปลูกต้นขหนุนต้นมะยมไว้หน้าบ้านนะครับ อ, อ่าแล้วก็ว่านสาวหลงเนี่ยก็มากจะนําไปใช้ในส่วนประกอบก็คือนํามาหูเป็นน้ํามันก็คือ น, นํามากลั่นเป็นน้ํามันหรือกลั่นเอาน้ําเนี่ยไปใช้กับอ่า พวกสีพึ่งสีพุ่งทาปากนวดทาปากในโบราณเป็นนวดมหานิยมนวดมหาเสน่ห์ประมาณ อ, อย่างนั้นเลยนะครับอเออแล้วก็ตัวน้ํามันว่านสาลงเองเน<ช>ี่ยก็ยังถ<ล>ูก <laughs> ตัวน้ํามันว่านสาลงเ <c oughs> องเนี่ยในในโบราณก็ยังมีการนําไปผสมในน้ํามันที่ที่ใช้ในการสักยันด้วย เป็นสัตยานที่เกี่ยวกับความ<ห>านิยมมห า, าเสน่ห์พวกนั้นด้วยที่เรียกว่าสัตกน้ำมันนะครับก็จะมีน้ำมันตัวนี้เข้าไปผสมด้วยในโบราณ น, นะครับก็เลยพอพอทําเป็นน้ํามันออกมาก็เลยได้รับความสนใจว่ามันเป็นน้ํามันหอมก็คือหัวน้ําหอมจากว่านสาหงแล้วก็มีตื่นหอมจริด้วยนะครัก็คือแล้วชาวบ้านก็ปลูกนะครับ ก, ก็ปลูกกันในบ้านแต่ปลูกกันไม่เยอ ะ, อะเห็นแต่ว่าเราตอนต่อไปก็คือต้อ ง, ต, องต้องให้ชาวบ้านช่วยช่วยปลูกเพื่อที่จะผลิตเป็นหัวน้ําหอมในกรณีที่จะมีการ ติดต่อซื้อขายกันหรือ ว, ว่าต้องเซ็นสัญญาซื้อขายกันต่แปว่าเราต้องผลิตในปริมาณมากมก็ต้องมีการซื้อเพิ่มเติมนะครับ อืมค่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่เดิมเนี่ยว่านสาวหลงก็เป็นที่เรื่องลือในเรื่องของมหาเสน่ห์อะไรทํานองนี้ใช่ไหมคะใช่ ใ, ใช่ใช้เป็นส่วนประกรบองบงที่อาจารย์บอกอืว่าสีพงศ์สีพึง่งก็พึงพ่งๆ่งทราบเหมือนกันเคยยินแต่ว่าก็ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าทางทางแถบทางภาคอีสานน่าจะรู้จักดีเนาะเหมือนเหมือนก็เป็นว้านหรือเป็นอะไรที่แบบเราคุ้นเคยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่านว่านตัวนี้ใช้กันทั่วประเทศนะครับ ทางภาคเหนือ ก, <ม>ก็ใช้ภาคกลางก็ใช้ภาคอีสานก็ใช้แล้วทางใต้เองก็ก็รู้จักว่านตัวนี้เองแล้วก็มี ม, มีมีการไปใช้ในการปรุงอาหารก็ก็ด้วยเพราะว่าตัวนตัวว้านชนิดนี้มีกลิ่นหอมอย่างเช่นทางภาคกลางก็จะเอาไปทำเนื้อสุนหรือไม่กระทั่งเอาไปทําเป็นเป็นเครื่องยาแห้งที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทําพะโล่พวกนั้นก็จะมีว่านตัวนี้ผสมอยู่ ในในบางบางสูตรนะครับแต่ผสมในปริมาณเล็กน้อยว่าะเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็ออกรู้จักกันทั่วไปเลยครับไม่ไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานรู้จักกันทั่วไปในเรื่องขอ ง, ของเชื่อเรื่องนี้เลยครับค่ะค่ะก็ถือว่าอา่าเป็นเป็นว่านที่ที่ค่อนข้างที่จะสามารถนํ า, ามาทำทำเป็นเป็นในในเรื่องของเศรษฐกิจได้แต่พออาจา ร, รย์หยิบยก<ช>มาเป็นในส่วนของหัวน้ําหอมเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนยกระดับ ว่านนี้ให้ให้มันมันสากลมากยิ่งขึ้นโอเคแหละอย่างที่เราคุยกันว่าว่านว่านสาวหลวงเนี่ยเราก็รู้จักทั้ง ทั่วทุกภูมิภาคแต่มันก็ในระดับหนึ่งนะอาจารย์นะแต่พออาจารย์ได้มาพัฒนาเป็นหัวน้ําหอมเนี่ยมันคือมันคือว่าหรือว่าต้องพูดว่ามันมันตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเพื่อเศรษฐกิจแล้วแหละถ้าสามารถพัฒนาเป็นหัวน้าหอมแล้วได้ความนิยมเนาะทีนี้อยากจะอยาถามอาจารย์นะคะว่าในส่วนของร้านสาวหลงเนี่ยที่อาจารย์นํามาพัฒนาเป็นหัวน้ําหอมอะคะใช้ใช้ส่วนประกอบตัวไหนอะคะแล้วก็ ม, ม, มันมันมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะพอพอจะเล่าให้ฟังโดยโดยสังเกตได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้ได้ครับยินดีครับก็คือตัวตัวว่านสาลงเนี่ยเราจะรับซื้อมาจากชาวชาวบ้านที่ที่ปลูกไว้อตัวว่านสาลงเนี่ยเขาจะสามารถจเจริญเติบโตได้ได้ดีในหน้าสนใจแล้วก็เขาก็จะขยายเหมือนแท้พันุ์ขยายจนวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับอ่าเสร็จปุ๊บเราเราก็ไปซื้อจากชาวบ้านมาขอซื้อมาชาวบ้านก็ เอามาขายให้เรากิโลละยี่สิบแปดบาทนะครับทั้งต้นใบแล้วก็รากก็คือถอนมาทั้งต้นทั้งใบและรากนะครับเอ่าเราก็มาล้างทําความสะอาดคือตัวว่านสาวงเนี่ยมีน้ํามันหอมระเหยในทุกส่วนของของตัวเขาเลยนะครับตัวในทุกส่วนของตัวว่านเนี<ม>่ยตั้งแต่รากต้นใบเนี่ยมีน้ําหอมหมดนะครับส่วนที่หอมที่สุดตั้งแต่เราทํามาเนี่ยอ่าในการเทสมาเนี่ยก็คือตัวตัวรากจะให้กลิ่นหอม ดีกว่าตัวต้นกับใบนะครับแต่ทั้งสามส่วนก็สามารถนํามาผสมใช้ด้วยกันหมดนะครับพอเราได้ต้นว่านมาเนี่ยจากชาวบ้านจากการซื้อมาเราต้องมาล้างทําความสะอาดเอาดินออกเพื่อที่จะไม่ให้มีกลิ่นดินหรือกลิ่นวัชพืชอย่างเอื่นที่ติดมากับว่านเนี่ยไปติดในกลิ่นหัาน้ําหอมก็ต้องล้างทําความสะอาดอย่างดีแล้วก็เข้าเครื่องสับสับละเอียดครับสับละเอียดเสร็จพอสับเสร็จปุ๊บ นำว่านที่ได้เนี่ยนะครับรอบหนึ่งเราจะใช้ร้อยกิโลร้อยกิโลนะครับลงในเครื่องกั่นน้ํามันหอมมะเขืขนาดอุตสาหกรรมที่ที่มีที่อ่ามอธรอีสาสนสกลนกครเนี่ยนะครับก็ใส่ลงไปในเครื่องนี้แล้วก็กั่นต่อเนื่องโดยใช้ไอน้ําในการกลั่นนะครับเป็นระบบการกลั่นต่อเนื่องหกถึแปดชั่วโมงเราก็จะได้น้ํามันสีเหลืองเหลืองใสๆออกมามีกลิ่นหอมที่ว่ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ว่าออกมา ก็สามารถใช้เป็นหัวน้ำหอมไปใช้ผสมเป็นหัวน้ำหอมก็ได้เราใช้นส่วนประกอบของเครื่องสําอางอื่นๆก็ได้สบู่โลชั่นทางผิวเจลล้างหน้าสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าถึง่เขาหอมหอมมากแล้วก็หอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอครับก็จะเป็นที่มาที่ไปในการผลิตก็จะเป็นอ่าประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้<ฆ>นะครับแล้วก็จะได้น้ํามันออกมาในปริมาณที่ที่พอชใช้เลยครับก็สามารถใช้ได้ครับ<ฆ> อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ากลิ่นหอมมันพอจะเทียบเคียงกลิ่นได้ไหมคะว่าว่ามันน่าจะหอมประมาณไหนอะคะอาจารย์มีมี <c oughs> มันกลิ่นกลิ <c oughs> <ๆ>่นโบราณนะครับกลิ่นคล้ายๆดอกดอกพิกลดอกไม้โบราณนะครับเอาจจะจะเรียกว่าจะไงเพราะว่าอาจารย์มีมีการทําสบู่ให้ให้ให้บุคลากรข อ, ของมหาวิทยาลัยลองใช้คนคนใหญ่ก็จะบอกว่ากลิ่นกลิ่นมันโบราณมากแต่แต่คนที่สูงอายุหน่อยจะชอบ เป็นโลชั่นทาผิวก็ได้รับเสียงสอบสำหรับดีวตอนนี้ก็ก็ลองทําเป็นเจลล้างหน้าดูนะครับแต่ตัวสบู่กับตัวโลชั่นทาผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากเพราะว่าลองมาสบู่นี่ทําไปได้จะห้าหกร้อยก้อนนะครับมีคนทดลองใช้ไปแล้วก็ได้รับเสียงสอบรับค่อนข้างดีในเรื่องของกลิ่นแล้วการใช้งานนะครับเรื่องผิวพรรณที่ที่แตกพับเฉียงตื่นคืนอะไรต้นเนี่ยครับอืม ค่ะว่านสาวลงเนี้ยนอกจากว่าจะใช้สกัดเป็นหวน้ําหอมแล้วอย่างที่อาจารย์บอกใช้เป็นเจลล้างมือก็ได้อ่าสบู่ใช่ไหมคะอาจารย์ในอนาคตอาจจะเป็นแบบว่าพวกสกินแคร์โลชั่นทาผิวอะไรอย่างงี้ก็ได้ไหมคะว่านสาวหลงเมื่อเมื่อทําการตรวจคุณสมบัติทางเคมีแล้วเขาจะมีสารเคมีสําคัญอยู่ตัวนหนึ่ง ในเรื่องของการแอนตีแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอืมรักษาสิวแล้วก็ผดผื่นคันตัวนีจ้จะเด่นขึ้นมากว่าทุกตัวในองค์ประกอบทางเคมีทั้งหมดดังนั้นน้ํามันตัวนี้สามารถไปใช้เกี่ยวกับเครื่องสําอ่างได้ไดโดยตรงนะครับใช้เป็นส่วนผสมได้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นพืช ท, ที่ที่มีอนาคตดีในเรื่องของลลกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะตัวตรงนี้ด้วยผมน่านจะมีอนาคตแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้ครับออื ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันเนี่ยว่านสาวหลวงเนี่ยก็สามารถใช้ได้ได้ทุกส่วนเลยคะ่ะที่ที่จะเอามาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอ่ะคะ่ะครับผมสามารถใช้ได้ทุกส่วนครับรากต้นใบใช้ได้ทั้งหมดครับอืมโอโ้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่มองก็คือว่าอ่าต้นบ้านสาวหลงเนี่ยสามารถจำถ้าถ้าเกษตรกรจะปลูกในอนาคตสามารถปลูกแล้วก็จําหน่ายได้ไ ด, ได้ได้ทั้งต้นทั้งรากเลย และอีกอย่างหนึ่งก็สามารถอย่างที่อาจารย์บอกคือสามารถแปลรูปไปได้หลายหลายหลายผลิตภัณฑ์ค่ะทีนี้ตัวตัวเครื่องที่ว่าเนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์นำเข้าซื้อนําเข้าหรือว่าอาจารย์ผลิตเองอะคะพัฒนาเองอะคะตัวเครื่องที่เราพัฒนาเองครับเป็นตัวเครื่องที่เราพัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็เป็นงบประมาณจากจากการวิจัยนะครับจะเป็นเครื่องที่เราพัฒนาแล้วก็ใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีแล้วเป็นเครื่องอุตสาหกรรมเพราะว่า มันมันผลิตแล้วมันหอมเบญเหยได้ในในปริมาณที่ที่พอใช้ที่พอใช้ก็คือได้ในปริมาณมากครับน่าจะสามารถอาจารย์็นต่อยอเป็นผูริเริ่มอื่นงได้ครับอืมค่ะก็คือไอ้ตัวเครื่องเนี่ยอาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาเองแล้วในส่วนไอ้ตัวตัวเครื่องวิธีกระปรือกระบวนการการใช้งานนี่คือสามารถเกษตรกรจะสามารถสั่งอาจารย์ไปใช้ได้เลยไหมหรือว่าจะต้องมีกระบวนการไงคะจะต้องอบรมก่อนว่า Ара, อ่เครื่องเครื่องเครื่องกลนน้ำมันหอมระเหยเนี่ยอ่าใช้งานไม่ไม่ไม่ไมยากนะครับก็สามารถ่าเกษตรกรเนี่ยสามารถสั่งให้เราประกอบให้แล้วก็เราสามารถเทรนให้เกษตรกรสามารถกลันแยกน้ำมันหอมระเหยได้ในกรณีที่เกษต ร, รกรหรือสาขาชุมชนที่มีความสนใจที่ที่จะทําเกี่ยวกับน้ํามันหอมระเหยมีการทําหัวน้ําหอมเพื่อจาหน่ายหร่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไปเราก็สามารถ อ่าประกอบเครื่องให้ได้แล้วก็จัดอบรมการใช้งานหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็เปิดให้เกษตรกรเข้ามาเยี่ยมชมโรงโรงงานกั่นน้ามันหอมระเหยต้นแบบเราได้ตลอดเวลานะครสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับคนนุค่ะอาจารย์คะขอถามต่ออีกนิดนึงในส่วนของเครื่องะคะ่ะเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถกลัน่นเรียกว่ากั่นเฉพาะอาหัวน้ําหอมของว่านสาวนงหรือว่าอาพืชช น, นิดอื่นๆได้อค่ะคะกลั่นเครื่องตัวนี้สามารถกลั่นได้ จากพืชสมุนไพรทุกชนิดนะครับที่มีกลิ่นหอมเยกตัวอย่างเช่นต<ม>ะไคร่หอมก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกกลิ่นพวกใบเตยพวกชิงคาไพลนะครับเราสามารถทําได้หมดจากเครื่องต<ม>ัวเดียวกันนะครับสามารถทําได้หมดครับมไม่ไม่เฉพาะต่อจงว่าจะเป็นเฉพาะวานต่อหลงเนะกษตรกรสามารถเอามาใช้ได้ตะไคร่หอมอย่างเงี้ยนะครับจ<ม>ะได้กะไค้่บานก็ได้ ใ, ไดใช้ได้เหมือนกันครับ อันนี้ขออนุญาตถามแทนเกษตรกรนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมีเครื่องไว้ครอบครองหรือว่านํามาใช้งานเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนอะไรทํานองนี้เออ่มันมันแพงไหยคะอาจารย์แล้วก็ต้องมีเงกิดบนการใช้บ้างค่ะเครื่องเครื่องนี้ต้นทุนเครื่องอยู่ที่ประมาณห้าแสนห้าหมืนห้าพันบาทห้าแสนห้าหมืนบาทห้าแสนห้าหมืนบาทก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดก็คือพร้อมใช้งาน เป็นเป็นระบบที่เราเซตขึ้นมาคือเป็นระบบโรงงานต้นแบบสามารถใช้งานได้เลยครับก็อยู่ที่ห้าแสนห้าหมืนบาทครับก็สามารถติดต่อมาที่ทางมหาลัยได้เลยครับมหาลัยก็สามารถประกอบแล้วก็ไปติดตั้งแล้วก็อบรมการใช้งานให้ให้ได้เลยครับอืมมีการเทรนนิ่งให้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อาจาระเราที่ผ่านมามีมีการแบบมาติดต่อขอซื้อหรือว่าเข้ามาดูงานการตอบรับเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็ มามีซื้อเครื่องอ่ะมีมีซื้อเครื่องที่นําเครื่องไปใช้แล้วจะเป็นกลุ่มเมืองสมุไนไพรทางจังหวัดสกลนครนะครับได้ได้สั่งเครื่องที่เหมือนเครื่องที่เราใช้อยู่จํานวนหกเครื่องเพื่อที่จะไปใช้งานทําน้ํามันหอมระเหยเพื่อใช้ในกิจการของของรอพศสนะครับของโรงพยาบาล <S 2> <S 2> ที่มีการใช้น้ํามันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วที่จังหวัดสกลนครก็มีการนําร่องและก็สั่งประกอบเครื่องไปแล้วหกเครื่องแล้วก็ ติดตั้งแล้วเรียบร้อยก็ใช้งานกันอยู่ใน<ม>ในทุงวันนี้นะครับส่วนที่<ม>ที่โรงงานเนี่ยก็มีกลุ่มเกษตรกรเข้ามาดูงานนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเกษตรก ร, ร, กรจากจังหวัดบึงกาฬซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเรา<ม>ก็มาดูงานเรื่องการแปรรูปสมุนไพรเพื่อให้ได้เป็นน้ํามันหอมระเหยเพื่อที่จะน้ํามันหอมระเหยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปไม่ไม่ต้องซื้อมาจากข้างนอกพอเราผลิตได้เองเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าน้ํามันหอมระเหยเราเป็นน้ํามันหอมระเหย แท้1 0อยเอร์เนอร์แกนิกแท้ 100% ยปอร์นแล้วก็มีตัวยาสำคัญครบถ้วนเมื่อเราไปทำผลิตภัณฑ์เราก็สามารถโฆษณาได้เลยว่าพือที่เราปลูกก็เป็นออร์แกนิกระบบการการันของเราก็เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วไปมีมาตรฐานไม่มีสารเคมีอะไรมาเกี่ยวข้องพอไปเป็นผลิตภัณฑ์มันก็น่าน่าใช้น่าซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนก็จะยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็จะมีเกษตรกร เขามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการแชร์รูปอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับผมค่ ะ, คะก็ถือว่าเป็นการนานำ บูรณาการในงานด้านวิชาการเอามาใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างอย่างเห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะอาจารย์ตั้งแต่การพัฒนาเครื่องอ เ, คเครื่องกันจนนำแบบพืชเศรษฐกิจที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ถือว่าเป็นความต่อยอดให้ให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคตอาจารย์มองมอง เรียกว่าแนวโน้มมองในเรื่องของกา ร, รพัฒนาทั้งไม่ไม่เฉพาะว่านสาวหลงหรือว่าในส่วนของพืชท้องถิ่น ท, ที่ที่มีทั้งสะโนเองแล้วก็บริเวณใกล้เคียงหรืออจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยคะ่ะอาจา ร, ร, ร, ร, ร, ร, รย์มองแนวโน้มยังไงบ้างคะเกี่ยวกั บ, บ, บการพัฒนาหัวน้องหอมจากว้านสาวหลงรวมถึงพืชพืชสายพชนธุ์อื่นๆด้วยอะค่ะอการพัฒนาในอนาคตนะครับนะเมื่อมีโอกาสแล้ว ก็อยากอยากให้ให้ข้อเสนอแนะก็คือป ร, ประเทศไทยเนี่ยมีพืชสมุนไพรจํานวนมากแล้วก็เป็นพืชสมุนไพร ท, ที่ที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วในส่วนของของบ้านเราเองไม่ไม่จำเป็นเฉพาะในส่วนของภาคอีสานหรือสกลนครหรือจังหวัดใดก็แล้วแต่แล้วพืชสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยมันเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ไม่มีมแมลงศัตรูพืชมามารบกวนชาวบ้านสามารถปลูกได้แล้วก็เป็นพืชที่มีช่วงอายุการปลูก ด, ดังนั้นการเก็บเกี่ยวนำมาใช้งานแล้วก็การแปรรูปเป็นหัวน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นห้านสาวลงเองสกายหอมเองหรือแม้กระทั่งพวกขิงขา่ขาขมิ้นชันพวกเนี้ไปสู่อุตสาหกรรมต่อยอดอื่นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีราคาซื้อขายกันในในท้องตลาดค่อนข้างสูงในราคาการจำหน่ายต่อลิตรนะครับอ่าดังนั้นอนาคตอ่าอาจารย์บอกว่าเกรรษตรกรเนี่ย นอจกจากจะปลูกพืชที่มีเป็นผู้ประจําปีแล้วพวกพืชสมุนไพรพวกนี้ก็ก็สมควรที่ที่จะได้รับการการเหลียวมองเหลียวแลจากเก ษ, ษตรกรเองหรือแม้กระทั่งจากจากภาครัฐเองเพราะว่าตลาดตอนนี้ประเทศไทยก็นําเข้าน้ำนํำน้ํามันหอมแระเหยส่วนหนึ่งมาจากต่างประเทศเพื่อมันใช้งานในประเทศเหมือนกันทั้งนี้บ้านเรามีมีสมุนไพร ท, ที่ที่สมบูรณ์แบบมากๆ แล้วได้รับเป็นได้รับว่าเป็นสมุนไพรที่ที่ดีที่สุดด้วยแล้วผลิตน้นํามันหอมระเหยออกมาก็ได้กลิ่นที่ดีด้วยเพราะว่าอาจารย์ได้ได้มีส่งแซมเปิลตัวอย่างน้ํามันไปให้ผู้ประกอบการที่ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาก็มีการเทียบเคียงกันก็ยอมรับว่าน้ํามันหอมระเหยบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพดีกว่าในเรื่องของกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติทางยางต่างๆดังนั้น อนาคตค่อนค่อนข้างที่จะสดใสนะครับเพียงแต่ว่าให้หให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรหรือว่าโปรดักต่างๆที่มาจากเกษตรกรหรือแม้กระทั่งสินค้าที่ที่มาจากสมุนไพรไทยนะครับแล้วมันหอมระเหยพวกนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เฉพาะที่จะเป็นว่านถา่วงลายร้อยปอร์เซนหรือไม่กระทะั่งตะไคหอมร้อเปอเซน์เขาสามารถไปผสมกับกุหลาบที่มาจากต่างประเทศก็ได้หรลาเวนเดอร์จากต่างประเทศก็ได้สามารถผสมกันได้ เป็นกลิ่นใหม่ได้หรือเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักใ์ใหม่ได้ดังนั้นควรจะตุ้นให้มีการใช้งานน้ำมันหอมระเหนที่มาจากเกษตรกรบ้านเราหรือสมุนไพรบ้านเราเพื่อให้ได้ยกระดับสินค้าแล้วก็ราคาเพื่อจะมูลค่าทางเศรษฐกิจก็จะได้จับไปสู่เกษตรกรบ้านเราให้ให้มากที่สุดเป็นเพื่อเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับในอีกกลุ่มหนึ่งต่อไปนะครับขอบคุณครับค่ะโอ้โหอาจารย์ก็ได้ไ ด, ได้ได้บอกกล่าวถึงอนาคตที่สดใสของอเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใน ไทยทําไทยใช้นะคะจารนและปัจจุบันก็เป็นยุคที่หลายหลายคนหันกลับมาสู่สู่ธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมสู่สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นกำลังใจให้จารย์ไดพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยจะติดตามผลงานอาจารย์ชิ้นต่อไปด้วยและก็คาดว่าในในถ้ามีโอกาสอาจจะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากว่านเสาหลงด้วยนะคะอาจารย์ผมยินดีครับยินดีคบานค่ะ ค่ะแล้วก็ามว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราทั้งสองคนอยู่ในในในส่วนของการฟังในช่วงเวลาเรียลทานก็ดีในการออกอากาศในช่วงค่าคืนหรือถ้าหากว่าฟังไม่ทันในช่วงไม่ได้ไม่ใช่คนนอนดึกก็สามารถเข้าไปฟังหน้าได้ในแฟนเพจเฟซบุ๊กคุณยูราชมูลคนยมบรีนะคะอินดอร์วิชั่นฟอเถ้าหากว่ามีข้อคําถามข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้าไปหาอาจารย์ได้โดยตรงนะคะอาจารย์ที่อ่าหมายเลขโพทของอาจารย์จะขออนุญาตให้ให้ได้นะคะอาจารย์คะ ได้ครับได้ครับยินดีครับหมายได้ของอาจารย์คือศูนย์ปดศูนย์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ศูน8 9แปดศูนย์แปดเก้าหกแปดแปดสองสองก็สามารถสอบถามได้โดยตรงค่ะคุณ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการการพัฒนาของนักวิชาการในประเทศไทยของเราได้เห็นอ n นโนวชันฟอร์ไลฟ์จริงๆเลยค่ะที่สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ขอบคุณดรน้ำพลพิพัฒน์ไพบูรณ์อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลอีสานวิธยเขตสกนครกับหัวน้ําหอมจากว้านสาวหลงขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและในวันนี้เวลาของการรายการอินโนวชันฟอร์ไลฟ์ก็ รายการของทาง Innovation for Life ก็หมดลงแล้วดิฉันกุลกนิชทองเงาพร้อมด้วยดรนำพนพิพัฒน์ไทรบูลเราท้อสองคนก็ต้องขอลาคึงผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life